คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคําพูดเป็นอาการคือเป็นคําสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวิ น, นัยหรือพระปรมัาทเป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้น คำว่าศาสนาคือคำางศรัสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำางศรัสอนนี้ออกมาจากทมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไคยนั่นแหละคือทมแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วลท่านนำอาการ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 สกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตะผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผูส้สำเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงทรรมธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนชื่อว่าโสดาสกิทานาคาอรหัตอันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมา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 เต็มไปหมดภ า, ายในดวงใจบรรตุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่กิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักยิตะภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลําดับลํำดับ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 คิดเท่าไรก็สั่งสมผลเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้อย่างไรเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในใจิตใจหมุนเย็นกันไปหมุนเย็นกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้ า, าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมนาข้องมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเวียนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมากแล้ว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 เป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติข้องตนเพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมันมีอยู่ภ า, า, ายในจิตท่านถึงสอนให้ชำละท่านถึงสอนให้ระ ง, งับท่านถึงสอนให้พิจนาหรือไข่ครวรกระแสะของจิตที่คิดออกออกมาแต่และสิ่งไน้อย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้การกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางํำหลกปราบารามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลาดับ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 แสดงตัวออกมาโดยอตัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจากี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรูปเสียงกยลิ่นรสดเครื่องสัมผัสต่ตางๆดีชั่วนามารุ่นมาคิดมาวุ่นมาวายอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งๆ ท, ง ท, งที่บางครั้งเราก็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 เกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็ตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติรับทราบทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรนี่แม้จะระงับดับมันยังไม่ได้นขณะนั้นก็ตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกําลังของความโกรธมันเคยตัวมัมนรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็แสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ ร, รู้อยู่ด้วยสตินี่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 รู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างกระทบกระเทเอนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดนลมหนะัจนกระทั่งพอแสดงความมุนิดขึ้นมาไม่ภายในใจรู้ทันทีว่าความมุนิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นั่นะ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 ไม่มีอะไรเข้าแทรกสิงเลยนี่ผลที่เกิดขึ้นมาจากการตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกรานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการอบรมทั้งนั้นทุ ก, ก็ยอมรับสุข ก, ก็ยอมรับเราเดินทางจะให้สม่ำเสมอไปโดยไถ่เดียวไม่ได้แม้แต่ทางลาดยางก็ยังสูงสูงต่ำต่ำตา ม, ตามเนินตามที่หลุมทีดอน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 กิเลสเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอา้าวเคลนสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตา ย, ตายไม่มีอะไรเหลือพันธา์ใจแล้วปัญญาถึงจะปล่อยปล่อยมือปล่อยมือเป็นลําดับลํำดั บ, ดบตัวไหนตายปล่อยไว้ตัวไหนไม่ตายตามห้าตามพันจนแหลกไปหมดนั่นนักรบของพระพุท ธ, ธเจ้าพุทธสาวกท่านเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นพุทธสาวกคนหนึ่งเป็นลูกศิตถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัท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 มันจิบหายไปหมดแล้วแต่กิเลสไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความบน่นนอกจากการปฏิบัติกรรมจัดมันด้วยกำลังฝีมือของเหล่านี้เท่านั้นกิเลสถึงจักตัวกรรมจัดลงที่ตรงนี้สุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจสุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเกา่า ถูกในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งๆในปีใหม่ก็ทุกถักตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความถุกอย่างงู้นอย่างนี้ค า, าดกันไปยุ่งกมนไปหมดถึงบานปีใหม่แล้วโอ้ส่ง ส, ออส่อข้ซอยกันยุ่งไปหมด ส, ส่อข้ออก็มีตัวหนังสืออตัวใจไม่นึกส่อข้อถอยไม่ส่อขส่งความถุกนี่ มันอยู่ภายใน น, นี่เอาสอคอองนี้นะอย่าไปสอคอสวันนั้นปีนี้ยุ่งไป่าไปหาเกาเดีย๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้ตรงนี้ตรงที่ตรงนั้นสอคอสอจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสอคอสอทางพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทํานั้นก็ไม่ได้ผิด แต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปัญิโกเราไม่ทำหนิติเตียนโลกเขาที่ทำมาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรุ่นเริงมันเทิงภาในแง่ใดซึ่งไม่ผิดตักกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆก็มีความรุ่นเลิงมันเถิงมีความหวังนู่นกันแต่ถ้าจะพิจารณาลึืคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลัง มีการอธิบายถึงเรื่องสปสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสกสภายในสกสภายนอกอืสกสภายในก็ได้แก่ส่งความสุขให้ก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำหนักมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิมหนักจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสกสขึ้นภายในจิตใจ อยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกหมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจเมื่อทุกข์หมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนอยู่นะท่านั้นเองนะมีเป็นจุดสําคัญการแสดงธรรมก็เห็นพอสมควรวันนี้เอาละยอดเดินคนัี้